แล้วก็ขาเมตนากบพวกเราจะศึกษาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อวันนี้จะพูดในเรื่องของอรกทูปมัสสูตรเป็นพระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยอสรพิษในะพระสูตรสนี้เป็นพระสูตรที่มีความสำคัญเกี่ยวในเรื่องของหลักการในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน เป็นพะสตุที่พูดถึงในเรื่องของการศึกษาคําสอนและจับประเด็นคําสอนที่ผิดโดยกําลังของมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นในเรื่องนี้ก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งวันนี้อาจไม่จบก็ไม่เป็นไรเราก็จะกล่าวในเรื่องของคาว่ามิจฉาทิฏฐิแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ย ก็ะจะพูดดึงหลายๆพระสูตรมารวมกันแต่ว่าจับประเด็นหลักก็คือเอาในอรรถกประมสูตรเป็นหลักไว้ก่อนสำหรับจะได้เป็นข้อเตือนใจให้กับพุทธบริษัทที่ศึกษาธรรมะเรียนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรียนไวเรียนไม่ดีแล้วมันจะมีโทษอย่างไรวางท่าทีทางใจไม่ถูกแล้วมันจะมีผลกระทบกับตัวเองแก่สังคมสิ่งแวดล้อมอยังไงเป็นต้น ว่าอนุภาพของความเห็นที่มันไม่ตรงเนี่ยมันเป็นเหตุทําให้มนุษย์เนี่ยก็กระทําสิ่งที่ผิดพลาดออกไป ก, กันมาทั้งหมดเหล่านี้ก็มาจากความเห็นโดยเฉาความเห็นได้ไปตั้งไว้ผิดแต่แล้วเนี่ยมันก็มีวิติกรรมกระบวนความคิดผิดคําพูดก็ผิดการกระทํำก็ผิดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้จะเข้าพระสูตรก่อนข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าเชตาวัน อารามของท่านอนาถาพินิกาเศรษฐีใกล้กรุงสาวถีครั้งนั้นอริษกะภิกษุผู้มีบรรพาบุตรเป็นพรานฆ่านกแรง้งก็คือเป็นบุตรของพรามที่ฆาแล้งฆ่านกแรง้งตระกูล เ, เป็นอย่างนั้นตระกูลของอริษกาเนี่ยเป็นตระกูลคนฆ่านกหรือฉกนกแร้งเนี่ยถ้าบ้านเราเลียงอีแรง้งเป็นนกแรง้ง เกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่าเราเข้าใจธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยโดยธรรมะที่ตรัสว่าก่ออันตรายไม่อาจจะก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงคือท่านมีทิฏฐิเห็นผิดว่าธรรมะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสทรงแสดงว่าธรรมะนั้นสามารถจะก่ออันตรายแก่ผู้ที่ซ่องเสพได้เนี่ย ท่านเห็นว่ามันไม่สามารถเป็นอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงก็คือพูดถึงในเรื่องของสวรรค์ชานมรรคผลและนิพพานเนี่ยนะคืออริษกะเนี่ยพิสูจเนี่ยอริธาเนี่ยพิกษุที่ชืออริธาเนี่ยเป็นพระหูสูตรเป็นธรรมกถึกท่านเป็นผู้รู้เพียงอันตรายยิกธรรมบางอย่างแต่ไม่รู้ทำอันตรายยกคธรรมอันตรายยิกธรรมแห่งการล่วงละเมิดเพราะวินัย เพราะไม่ฉลาดในเรื่องวินัยท่านจะไปฉลาดในเรื่องของพระสูตรพระพิธรรมเนี่ยนะท่านยังคิดว่าพวกเครือขัดเนี่ยทยี่ยุ่งเกี่ยวอยู่กามคุณเนี่ยเช่น เ, เป็นพระโสดาบันก็มีสกทาคามก็มีเป็นพระนาคาก็มีท่านก็เลยมีความคิดวมาแม้ภิกษุก็ยังเห็นรูปที่น่าชอบใจที่รู้ได้ด้วยจกักษุเป็นต้นเหล่าเนี้ เสียงที่น่าชอบใจที่รู้ได้ด้วยหูทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นเน่ยตลอดทวารกายที่ยังถูกต้องสิ่งที่สัมผัสที่รู้ได้ด้วยกายยังใช้เครื่องผ้าปูผ้าหม่มอันอ่อนนุ่มสิ่งนั้นทั้งหมดยังถือว่าควรก็หมายความว่าเสียงกินรสผดผภาเนี่ยของหญิงจริงจะไม่ควรท่านไปเข้าใจว่าเออเนี่ย เครือัดเนี่นะท่านยังยินดีในการมาคุณอยู่การยินดีในการมาคุณของท่านยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยท่านบรรลุได้เลยเป็นพระโสดาบันก็มีสกาดทาคาก็มีภ้านาคาก็มีเข้าใจคำนี้ไหมเอ๊ะถ้าเป็นภิกษุก็ไม่เห็นจำเป็นที่ต้องไปเค้่งคัดอะไรนี่แล้วก็เห็นรูปที่สวยๆก็ยินดีได้เสียงที่เพราะๆก็ชื่นใจได้กลิ่นที่หอมรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆ มันก็ยังน่าจะชื่นใจได้เพราะมันไม่ได้ไปขาดขวางต่อการบรรลุสวรรค์ฌานมรรคผลนิพพานอะไรนี่เพราะคารวะาบริโภคกา ร, รมไม่เห็นกาดขวางอะไรท่านเลยท่านเหล่านั้นก็บรรลุใช่ไหมนั้นถ้าเป็นพระเนี่ยจะไปถูกต้องกายหญิงก็ไม่เป็นไรหรอกจะไปสัมพันธ์อะไรกันก็ไม่เห็นจะต้องไปอะไรเลยเพราะจริงๆสิ่งทั้งหมดเหล่านี้มันก็ล้วนแต่เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาฏตาค่ะใช่ไหมมันไม่เห็นมีตัวตนใดๆเลยว่างั้นเถอะ จากการเห็นลักษณะเนี้ยคือไปเข้าใจธรรมะแต่ไม่เข้าใจกติกาไม่เข้าใจระเบียบไม่เข้าใจวินยัยไม่ฉลาดในพระวินยัยเนี้ยก็เกิดทิฏฐิชั่วยอย่างเนี้ยก็เลยเข้าใจว่าเออผัวแต่พของหญิงจึงไม่ควรสิ่งเหล่านั้นต้องควรแน่นอนเออจริงๆอิ ง, รงพระจะไปถูกต้องจะไปไปเห็นไปชอบใจรูปภาพหญิงที่สวยสวยก็ได้เสียงสวยสวยของหญิงก็ได้กลิ่นหอมหอมขอ ง, งหญิงก็ได้ รถสัมผัสนิ่มๆของหญิงก็ได้ไม่เห็นมันจะไปมีโทษอะไรเลยถ้ามีโทษถ้ามันขวางมรรคผลนิพพานก็แสดงว่าคารวะก็ต้องบรรลุธรรมไม่ได้สิเออเข้าใจไหมทำไมคารวะจึงมีพระโสดาบันเช่นานางวิสาขาก็เป็นพระโสดาบันอนาถาพิทิกาเษีถีก็เป็นพระโสดาบันใช่ไหมหมอชีวกกมารพัฒก็เป็นพระโสดาบัน อุบาลีขึ้นาบดีก็เป็นพระโสดาบันปุกฆะขึ้นาบดีก็เป็นยันผ้านาขาเงี้ยนะหรือท่านวิสาขาก็เป็นท่านพผ้านาขาเงี้ยท่านเหล่านี้ก็แต่ก่อนก็เกี่ยวข้องกรรมคุณอยู่นี่แหละแต่ทําไมถึงสามารถบรรลุได้ก็ได้ยินดีในสัมผัสอยู่ในเพศตรงกันข้ามก็ยังสามารถแทงตลอดสัจจะได้เข้าใจอย่างเออถ้าเป็นนักบวชเนี่ยมันก็ต้องทําได้นั่นแหละ จะไปยินดีในรูปที่สวยๆเสียงที่เพราะกลิ่นที่หอมบ้างเนี่ยก็ได้หรือจะไปสัมผัส ถ, ถูกต้องการหญิงเป็นต้นเนี่ยก็ไม่เห็นผิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเกิดทิฏฐิชั่วทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องมีความเห็นผิดเกิดขึ้นแล้วแล้วก็โต้แยง้งภาษาพันยุตยานโต้แย้งคําสอนของพพุทธเจ้า ขัดคัดค้านเวสารัชายานใส่ตอและหนามในมรรคยานว่าเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะทีนี้ก็เกิดคัดค้านเนี่ยก็เลยขัดแยง้งขัดแย้งพระสัพพยุตยานโต้แย้งสัพพยุตยานคัดค้านเวสาลัชยยานสัพพยุตยานคือพายานของพระเจ้าที่แทงตลอด ทั้งสิ้นอนาวรณญาญพยานที่ไม่สามารถมีอะไรไปขัดขวางได้แต่อริทกะเนี่ยก็มีทิฏฐิชั่วใส่ตอและนาำในมัคคยานว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติปฐมประชิกอย่างกวดขันประดุดดังกั้นมหาสมุทรเพราะโทษไม่มีในข้อนี้บอกไม่เห็นมีโทษเลยทำไมพระพุทธเจ้าห้ามการเสพเมถุนไม่เห็นมีโทษเลยโอ้โหเนี่ยระวังไว้อตรงเนี้ยแล้วคัดค้านอาณาจักร พระเชษฐาจักดังกล่าวแล้วเมถุนเมถุนธรรมมันไม่มีโทษมันไม่มีโทษอะไรเนี่ยมันก็คือรูปธรรมต่อรูปธรรมเท่านั้นแต่ว่าโดยปรมาตาร์มันไม่มีอะไรหรอกว่ากไปคิดอะไรมันมากไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถจะคิดไปในมุมอื่มได้เนี่ยเหมือนการไปถูกต้องกายหญิงก็ไม่เห็นมีโทษเมถุนธรรมก็ไม่มีโทษเสื้อผ้าหญิงก็ไม่มีโทษการไปจับสัตว์เดรัจฉานตัวเมียก็ไม่มีโทษมี่จะไปทั่วแหละไปจับเงินและทองมันก็ไม่มีโทษมองเห็นหรือยังเนี่ยมันมาจากอิทธิทิชชั่วตรงนี้แหละ คือความเห็นทิมไปใส่ตอใส่ตอและหํานะลงในมรขยานก็แปลว่าเพื่อขัดขวางไอ้ตรงเนี้ยการกระทําอย่างนี้ท่านบอกว่าไม่สามารถ เ, เป็นอันตรายต่อต่อสวรรค์ต่อฌานต่อมรต่อผลต่อทิพานไม่สามารถจะขวางการบรรลุสวรรค์บรรลุฌานบรรลุมรผลได้ถ้าพระทําแบบนี้ท่านมองอย่างนั้นท่านเห็นอย่างนั้น เพราะท่านไปเปรียบเทียบไงระหว่างคารวาสก็สามารถเกี่ยวข้องกับกามได้หมกมุ่นกับกามได้พระก็ต้องได้สิพุทธเจ้ามาเห็นต้องไปขวนขวายในการที่ต้องบัญญัติปฐ ม, มประชิกว่าพระห้ามมีลูกมีเมี ย, ยเยลยเขาอย่างเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนี่ก็ขัดค้าขัดค้านแล้วเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะชํนนานาญในพระสูตรกับพระวิธรรมแต่ไม่ชํนนานาญในพระวินยัยไม่ฉลาดในพระวินยัยก็เลยมีทิฏฐิชั่วเหล่านี้เกิดขึ้นมองนะ มองเห็นใช่ไหมเข้าใจตรงนี้คําว่าทําก่ออันตรายเนะี่ยเป็าเรียกอันตรายยิ ets, endes, elim, uk, ่งกระทำก็คือทำที่เป็นอันตรายต่อสวรรค์ทำที่เป็นอันตรายต่อฌานทำที่เป็นอันตรายต่อมรรคผลและกับทำที่เป็นอันตรายต่อพันิพานมี5ประการนะงั้จริงๆมันมี5ประการที่เราจะต้องศึกษาว่าถ้าใครทําไปแล้วเนี่ยจะมีโทษเช่นกรรมอันตรายเนี่ยอันตรายคือกรรมะการไปทําอนันตริยกรรม5ประการเนี่ย กรรมที่จะให้ผลไปเกิดในอบายภิหลังจากเสียชีวิตทันทีถ้าคนทํากรรม5ประการ น, นี้เรียบร้อยหมดโอกาสแล้วที่จะไปสู่สวรรค์1มาตุคาตฆ่าแม่เนี่ยใครฆ่าแม่นี่นะถึงจะทํากุศลขนาดไหนจะไปสร้างเจดียด์สูงเท่าภูเขาเหินนกเขาเหิอนอะไรก็สร้างไว้ไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองไปลงอบายภูมิได้ยังไงก็ต้องลงอบายภิดูอย่างแล้วก็ปีตุคาตฆ่าพ่อ ท่านในสมัยคำพูธการคนที่ทาปีตุคาดคือใครที่เห็นชัดๆใครเนี่ยใครใครทำปิตูคาดค่าใครออแล้วพระเจ้าชาติสตูทำบุญเยอะไหมต่อมาทำบุญมากและเป็นยังไงกันได้ไหมการการไปตกนรกได้ไหมป้องกันได้ไหมไปตอนนี้พระเจ้าชาติสตูตายแล้วไปอยู่ที่ไหน โลหะกลุ่มพิวซ์ธานนลกไปเกิดในในนรกบริวารของอเวจีเนี่ยถูกตึงพันธนาการอยู่อย่างนั้นแหละเห็นไหมเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่จะทำดีขนาดไหนทำนุกบุมรุงพุทธศาสนาอย่างไรโอ้โ ห, หเต็มที่วางนั้นเจอในบรรดาผู้ที่มีศรัทธาไ ม, มนนนะไม่มีใครเกินปุถุชนนี่นะไม่มีใครเกินพระจ้าชาติศัตรูแต่ กุศลเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะขวางกั้นกรรมมันหนักหนาได้คื อ, คอปีดุฆาตกรรมเนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเป็นอันตรายแน่นอนกัน้นมากผลกั้นสวรรค์ด้วยอาลหันตะคาตฆ่าพระอาหันโลหิตตุประบาททำให้พระพุทธเจ้าทรงห่อพระโลหิตสังฆเพททำลายสงฆ์ให้แตกจากกันกรรมห้าประการเนี่ยพระเทวทัตทากี่ข้อ พระเทวทัตยุโยงให้พระเจ้าชาติสตูทาทำอะไรเออปิดบุคคลาดได้อะไรอีกฆ่าพุทธเจ้าไหมพระเทวทัตจะยุให้ใครพระเจ้าเออพระเจ้าพระเทวทัตนี่ฆ่าเนีวางแผนฆ่าพุทธเจ้าตั้งหลายครั้งให้นายขมังธา น, นูเป็นต้นเราเนี้ย แล้วก็กิ่งก้อนหินใช่หมให้ห่อพระโลหิตแล้วก็ทำสังฆเพศด้วยทาสงให้แตกจากกันด้วยอย่างนี้นะเอ อ, อลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมเป็นอันตรายนะขวางการไปสูป่สวรรค์และขวางการบรรลุมพระนิพพานถ้าสวรรค์ไม่ได้ไปไม่ต้องพูดเรื่องบรรลุพระนิพพานแนละ้วส่วนกรรมอีกประเภทหนึ่งคือพิษุนีทุสกะ ก็คือปทศร้ายนางพิกษุณีเนะ่ยปทศร้ายก็คือไปข่มขืนเป็นต้นอะไรเนี้ยนะนี่ก็ขัดขวางเฉพาะการบรรลุมรรคผลนะประการต่อมาก็คือกิเลสสันตรายคืออันตรายคือกิเลสก็หมายถึงวิชาทิฏฐิสาประการหนึ่งอริยทิฏฐิความเห็นผิดว่าไม่เป็นบุญไม่มีบุ ญ, ไ ม, มบญไม่มีบาปนี่นะแม้จะกระทำอย่างไรก็ไม่เมตกรรมดีหรือกรรมชั่ว และก็ไม่ส่งผลให้คุณหรือให้โทษนี่เป็นความเห็นที่ปฏิเสธกรรมนี่คืออากริยทิฏฐิเข้าใจคําว่าอากริยทิฏฐิไหมปฏิเสธการกระทำเนี่ยไม่มีบุญไม่มีบาปแล้วความเห็นผิดว่าไม่มีบุญบาปกระทําอย่างไรก็ไม่เรียกว่ากรรมดีเช่นเราจะกระทําอย่างนี้กายกรรมเคลื่อนไหวไปวจีกรรมพูดไปความคิดคิดไปเนี่ยไม่เรียกว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วไม่เรียกและการคิดการทําการพูดทั้งหลายเหล่านี้ ไม่สามารถจะให้คุณและให้โทษได้นี่ปฏิเสธกรรมนีปฏิเสธกรรมเลยสองนักทิกาทิทิความเห็นผิดเห็นว่าสัตว์ตายแล้วขาดศูนย์ตายแล้วศูนย์ไม่มีพบใหม่เห็นว่าไม่มีไม่มีผลของบุญไม่มีผลของบาปในพบต่อไปความเห็นนี้ปฏิเสธผลกรรมผลของกรรมไม่มีก็คือเป็นการปฏิเสธตายแล้วมันขาดศูนย์เพราะเห็นว่าตายแล้วขาดศูนย์เป็นปฏิเสธผลเลยนะ การทำทั้งหลายเลยนี้จะไม่ได้รับผลอีกต่อไปแล้วเพราะมันศูนย์เป็นหมดแล้วใช่ไหมคล้ายๆอุเฉทะแต่นี่เห็นว่ามันไม่มีหรอกพบหน้าไม่มีคุณของพ่อแม่ก็ไม่มีโอปปปาติกะก็ไม่มีสัตว์ที่เกิดแล้วผุดโตขึ้นก็ไม่มีกรรมดีกรรมชั่วมันไม่มีผลหรอกสัตว์ที่จากภพน้นมาสู่พบนี้มีไหมนัตทิกะที่ ท, ทีก็เห็นว่ามีไม่มี ไม่มีสัตว์ตายจากภพนี้ไปสู่ภพอื่นไอ้นากดิการทิฏฐิเขาเห็นว่ามีหรือไม่มีไม่มีตายไปแล้วมีการสืบต่อไปไหมไม่มีถือว่าหมดใช่ไหมเมืเอมันต่างจากอุเฉธาทิฏฐิอุเฉธาทิฏฐิเห็นว่าขาดศูนย์มันถือว่าขาดศูนย์อาจจะเห็นเฉพาะสัตว์ว่าขาดศูนย์เนี่ยแต่กรณีอย่างเนี้มันเป็นปฏิเสธทั้งผลที่ได้รับทัเป็นต้นเลยเนี่ยส่วนประการต่อมาคืออเหตุตุกาทิฏฐิ ความเห็นผิดว่าไม่มีกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เป็นเหตุให้เกิดคุณเกิดโทษแกเราสัตว์ฉะนั้นเราสัตว์ที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุปัจจัยความเห็นนี้ปฏิเสธทั้งเหตุและผลนะวันนี้คิดว่าเป็นอเหตุกาวาท้าด้วยสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นลอยๆไม่มีเหตุปัจจัยใดๆทั้งนั้นเอารักษณะอย่างนี้เขาเรียกเป็นความเห็นผิดสามประการดังกล่าวนี้ ย่ำส่งผลให้ไปเกิดในนรกหลังจากตายเหมือนกันเขาจึงเรียกว่านิยตามิจฉาทิฏฐิ <c oughs> คำว่านิยตาก็แปลว่าอะไรเนี่ย <t> เป็นความเห็นผิดที่ดิ่งแล้วตายแล้วเนี่ยจะจะลงอบายภูมิแน่นอนคนที่มีความเห็นผิดระดับอย่างเนี้ยให้สังเกตดูนะว่าถ้าเห็นว่าความเห็นผิดว่ามันไม่มีบุญบาปการกระทำเนี่ยไม่เรียกว่ากรรมดีกรรมชั่ว และไม่สามารถส่งผลให้คุณให้โทษที่ปฏิเสธกรรม ก, การกระทาอย่างนี้คนอย่างนี้จะกล้าทําทุกอย่างไหมกล้าทําชัว่วไหมโอโ้กล้าทุกอย่างเลยอันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวนั้นนาทิกาทิถีที่เห็นว่าขาดศูนย์หมดเลยเนี่ยนะเห็นว่ามันไม่มีแล้วพบต่อไปเหตุการณ์ทิถีก็คือปฏิเสธเหตุมันเกิดขึ้นลอยๆออบังเอิญ ก่อนที่จะมาบวชเรามีความเห็นแบบนี้บ้างไหมบอมเห็นไหมหนูก็เห็นแบบนี้ไหมอันนี้คือด้านของกิเลสอันตรายในะอันตรายคือกิเลสเหรเนี่พอปฏิเสธเหตุก็จัดว่าปฏิเสธผลแล้วเมื่อปฏิเสธผลก็เป็นการปฏิเสธเหตุความเห็นทั้งสาประการก็เหมือนกันโดยการคัดค้านบาปบุญไม่มีจริงผลของบาปบุญก็ไม่มีจริงเนาะความเห็นก็แทบจะไม่ต่างกัน วิปากรันตรายก็คืออันตรายคือวิบากกะหมายถึงปฏิสนธิจิตที่เป็นทั้งอหิเหตุกาปฏิสนธิปฏิสนธิที่ไม่มีอโลภาเหตุอโทสาเหตุ์อะโมาเหตุทวิเหตุการปฏิสนธิปฏิสนธิที่มีเหตุสองก็คือความไม่โลภและความไม่โกรธขาดปัญญางั้นบุคคลที่ประกอบไปด้วยทวิเหตุกาปฏิสนธิเนี่ยไม่อาจจะบรรลุมากผลในชาตินี้ได้อเหตุการปฏิสนธิไม่ต้องพูดถึงพวกบ้าใบบอดหนวกพิคนพิการทั้งหลายเรานเนี่ยนะปราศจากปัญญาในขณะปฏิสนธิ ถ้าทำกุศลไว้ก็ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาได้อันตรายประเภทนี้จึงห้ามการบรรลุมรรคผลไม่ได้ห้ามเข้าถึงการสวรรค์นนะฉะนั้นอย่างนี้วิปากันตรายเนี่ยสังเกตว่าอย่างพวกเราเนี่ยบางทีไม่แน่นักนี่เนี่ยถ้าเกิดมาในขณะเกิดเนี่ยเป็นผู้ที่มีอโลภะกับอโธสะคือความไม่โลภความไม่โกรธในขณะปฏิสนธิจะขาดอโมหะคือขาดปัญญาเพราะขาดปัญญาในขณะปฏิสนธิจะสามารถบรรลุชาติบรรลุมรรคผลในชาตินี้ได้ไหม ได้ไม่ได้เหตุผลไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีฐานของปัญญาที่เป็นติเหตุกสะสะัไม่มีสชาติกาปัญญาปัญญาที่ติดมาเพราะของการเกิดเพราะฐานแรกมันรั่วเนี่ยมันเลยสุดเพิ่มเติมได้แต่มันก็เพิ่มเติมด้วยความยากด้วยความลําบากบางคนเรียนรู้ที่จะทําให้ปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยยากลําบากจริงๆนะเนี่ยฐานเก่ามันสุด แต่ก็สามารถที่จะขวนขวายเต็มที่เต็มศักยภาพเต็มความสามารถได้แต่เพียงว่าบรรลุชาตินี้ไม่ได้สามารถบรรลุชาติพบต่อไปได้เนี่ยสร้างเห็ปุปัจจัยตรงนี้ได้แต่จะเอาให้ชาตินี้เลยเนี่ยมันไม่ทันเพราะฐานของปัญญาไม่ได้สั่งสมไว้สั่งสมแต่เคียงเรียกความไม่โลภกับความไม่กโกรธแต่ฐานของปัญญาไม่ได้สั่งสมมันเลยสุดมันเลยต้องใช้เวลาเยอะช่วงอายุที่เหลือมันสร้างไม่ทันเข้าใจไหมสร้างก็หมดสร้างก็หมดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับ มันมีจุดบางจุดที่มันพิการมาแต่กําเนิดเงี้ยนะมันจะไม่รู้จะทํำยังไงเช่นหัวใจมันพิการมาแต่กําเนิดเงี้ยซ่อมอย่างอื่นได้ดีหมดแหละแต่ถ้าหัวใจมันดันไปพิการซะนี่มั่ออกไหมหรืออย่างกรณีที่ตาบอดข้างหนึ่งมาแต่กําเนิดเงี้ยหรือตาบอดสองข้างมาแต่กําเนิดเงี้ยเราจะแก้ไขให้ตาดีได้ไหมในชาตินั้นแต่ทําเหตุปัจจัยที่จะทําให้ตาดีในชาติต่ตอไปนะ่ะได้เงี้ยเป็นต้นนะ จะทำกุศลประเภทไหนจะทำให้ตามันเกิดขึ้นในชาตินั้นมันทําไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นใส่ตาปลอมก็เห็มองไม่ได้มอกไม่เห็นทํำยังไงก็มองไม่เห็นเพราะไม่มีจักรคุปสาสัตนี่นะก็ไม่มีอาศัยของจักขุญญาณเป็นต้นอย่างเนี้ยไม่สามารถจะบรรลุชาตินี้ได้ขาดปัญญาในขณะเกิดสามารถเข้าถึงสวรรค์ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามสวรรค์แต่ห้ามมรรคผลประการที่สาม อริย์ปวาทันตรายอันตรายคือการว่ารา้ายพระอริยะไปตําหนีพระโสดาบันตาหนิพระสกาทาคาไปตําหนีพระนาคาหรือตําหนีพระลรหันตำหนีพระเจ้าเนี่ยการพูดให้ร้ายแก่พระอริยะบุคคลเพื่อให้ท่านเสียชื่อเสียงและหรือเสียศียลธรรมเนี่ยถ้าไปตําหนีท่านตรงนี้อันตรายเลยแม้จะรู้ว่าท่านเป็นพระอริยะบุคคลหรือไม่ก็ตามนะเมตรู้หรือไม่ตามอันตรายประเภทนี้ห้ามการเข้าถึง สวรรค์และนิพพานถ้าขอเข้ามาแล้วจะพ้นจากอันตรายเหล่านี้ได้อันนี้ขอเข้ามาได้มีไหมไปแอบตําหนิพระอันนี้ก็หลอดพ้นไปบางทีตัวตําหนิท่านยังไงเนี่ยตรงนี้ก็อันตรา ย, ยานะตรงเนี้ยในโลกใบเนี้ยไปไปมาเราชอบใช้ความคิดของเราเป็นห อ, อกไปทิมคนอื่นเนี่ย ต้องระวังชอบเอาความคิดของตนเองเป็นหอกบ้างเป็นดาบบ้างจะไปฟันคนอื่นบ้างไปทิมคนอื่นบ้างไปแทงคนอื่นบ้างแล้วรู้สึกมีความสุขเห็นคนอื่นเจ็บปวดแลแ้วแหมสุขใจสบายใจไปคิดเ่อตัวเองฉลาดเก่งกาจแต่นี่ต้องระวังตรงนี้ด้วยประการที่5อาานาวีติกมะหรืออานาวีติก ะ, ม, ะ, ออกะมันตรายก็คืออันตรายคือการจงใจล่วงละเมิด บัญญัติของพระพุทธเจ้ามีความจงใจมีความตั้งใจในการละเมิดอาบัตทั้ง7หมวดนั่นแหละปราชิกสังขาธิเศษถุนลจัยปาจิตีปาติเทสนิยทกกะทุกกฎและทุกพระสิทธิเนี่ยอันตรายประเภทนี้ห้ามการเข้าถึงสวรรค์และนิพพานแต่ถ้าปรงอาบัติหรือทําตาวินัยกรรมแล้วก็สามารถพ้นจากอันตรายเหล่านี้ได้นั่นมีวิธีการอีกเยอะเนี่ยอันตรายเหล่าเดีย ฉะนั้นคําว่าอันตรายยิกะเนี่ยมันมีอยู่4ความหมาย1นึ่ง ท, ที่มีการทําอันตรายเป็นปกติประการที่2องทำที่ประกอบในอันตราย3ามก็ทำที่ควที่ควรค่ายผลที่เป็นอันตรายแล้วก็ประการที่4ี่ทำที่มีอันตรายเป็นผลนะแล้วจะเยาวความหมายในใน4ความหมายนี่แหละ ขยายตรงนี้ให้ฟังก็พอต้องการให้ทราบว่าอริษกะภิกขูเนี่ยที่ปีบรรพบรุษเป็นคนฆ่าแล้งฆ่านกแ้งนี่แหละมีความเห็นและก็ไม่ทราบอันตรายโดยเฉพาะอันตรายที่ท่านไม่ทราบคืออาณาวีติกกามะอันตรายอันตรายที่เกี่ยวกับารล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นอาณาเป็นต้นเหล่าเนี้ย เอก็เลยประกาศทิฏฐิชั่วงตนเองออกมาเนี่ยนะอริธกะเนี่ยภิกษุทั้งหลายได้ทราบข่าวว่าอริธกะภิกษุเนี่ยเกิดทิฏฐิชั่วอย่างนี้แล้วก็เข้าไปหาสมัยก่อนเขาไม่นิ่งนอนใจกันเขาก็เข้าไปหาอริตกะภิกุเนี่ยถึงที่อยู่แล้วก็ได้กล่าวกับท่านว่าทราบว่าท่านเกิดทิฐิชั่วมีความหมินผิดอย่างนี้ใช่ไหมอริธกะ ก็บอกว่าจริงเราเข้าใจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วโดยธรรมที่ตรัสว่าก่ออันตรายไม่อาจก่ออันตรายแก่ผู้ท่องเสพได้จริงท่านบอกว่าจริงท่านเห็นอย่างนี้แหละท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่ามันเป็นจะเป็นอันตรายแก่ผู้ที่ปฏิบัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ท่านเห็นว่ามันไม่เป็นอันตรายเช่นท่านเห็นว่าการที่ภิกษุเนี่ยไปยินดีในเสียงหญิงเสียงบุรุษเสียงสตรีเป็นต้นหรือโดยเฉพาะ ไปถูกเนื้อต้องตัวของสตรีก็ดีอย่างเงี้ยเป็นต้ น, นนะหรือว่ตัวอนามาตทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มีอันตรายใดๆหรอกเพราะท่านเห็นว่าพระโสดาบันในภายนอกไอ้ที่เป็นคารวาสเขาก็มีสกาธาคาก็มีพระนาคาก็มีฉะนั้นไม่เห็นจะต้องขนขวายในการที่จะไปบัญญัติห้ามภิกษุถูกต้องกายหญิงว่ามันจะมีโทษเลยหรือภิกษุไปถูกต้อไอ้ไอ้เครื่องแต่งกายของหญิงก็ดีผมของหญิงก็ดีเป็นต้นเหล่านี้ น, น, นนะหรือไปจับสุนัต สัตว์เดรัจฉานตัเมียก็ดีหรือไปจับเงินและทองเป็นต้นเหล่าเนี้ยมันไม่เห็นจะไป ม, มีโทษอะไรเลยมันก็แค่ดินน้ำไฟลมนี่แหละท่านเห็นอย่างนี้ท่านยืนยันอย่างนี้บอกท่านบอกว่าเออท่านมองเห็นอย่างนั้นแหละลำดับนั้นแหละภิกษุเหล่านั้นประสงค์จะเปื้อนเปื้อนทิฐิออกจากทิฏฐิชั่วนั้นก็ซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนโดยคำพูดว่าท่านอย่ากล่าวอย่างนี้ การกล่าวอย่างนี้เป็นการกล่าวตรูกล่าวตูพระพุทธเจ้าการกล่าวตูพระพุทธเจ้าไม่ดีเลยเพราะพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นแต่ทำแต่ตรัสธรรมะที่ก่ออันตรายว่าเป็นธรรมอันตรายแก่ผู้โดยประการละต่างๆธรรมเหล่านั้นก็อาจให้ก่อเกิดอันตรายแก่ผู้ทรงเสพได้จริงนะพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่ากามทั้งหลายมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษของกาม กามนะี่ยมีโทษมากอย่างยิ่งใหญ่กามทั้งหลายมีเหมือนโครงกระดูกมีสุกน้อยก็มีโทษมากมีทุกมากมีความคับข้องมากกางั้นเถอะกามทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้อเพราะเกี่ยวข้องทั่วไปกับคนจํานวนมากไอกชิ้นเนื้อเนี่ยเวลานกนกแรงก็ดีเนี่ยอีกที่มันมาจิกชิ้นเนื้อกันเนี่ยเวลามันแย่งกันมีชิ้นเนื้อปุ๊บเนี่ยถามว่า อ, อ, อ, อันตรายห จิกตีกันไหมแย่งกันไหมเออกามทั้งหลายมันก็เหมือนโครงกระดูกอะไรแหละเพราะมีสุกน้อยเหมือนชิ้นเนื้อด้วยคําว่ากามทั้งหลายมันโครงกระดูกเนี่ยเหมือนสุนัขเวาลาไปแทะกระดูกมีเนื้อติดอยู่นิดมันไม่อิ่มไหมงั้นการไปเสพกรารไปบริโภคกามทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันไม่อิ่มมันมีโทษอย่างนั้นแหละสัตว์ทั้งหลายก็มัวเมาลุ่มหลงกับการได้เสพ เกี่ยวกันกัไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเหมือนคบเพิงญ่ามันเผาไหม้วเวลาถือคบเพิงเนี่ยแล้วก็จุดไฟเดินทวนลมถ้าไม่ปล่อยจะไหมไหมเนี่ยไหมมือเราไหมไม่นี่เหมือนกันที่เราไปเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเกี่ยวข้องกับบุตรกับภรรยากับสามีกับหญิงกับชายทั้งหลายเกี่ยวข้องกับทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่รีบปล่อยมันไม่รีบทิ้งมันเนี่ย ไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะ ไ, มไหม้เราไหมไม่มีโทษมากมีทุกขมากมีความคัดข้องมากควรเจริญกุศลควรเป็นอยู่ด้วยปัญญาเพราะงั้นเด้อถ้าอยู่อย่างผิดพลาดก็เจ็บปวดมันเผาไหมเหมือนหลุมถ่านเพลิงเพราะมีความร้อนแรงมากไอ้หลุมถ่านเพลิงเนี่ยถ้ามีบุรุษจับเราโยนเข้าไปเนี่ยมีแต่ตายอย่างเดียวคนโง่เท่านั้นเด้งที่จะถูกให้จับโยนไปในนั้นคนที่ไปเกี่ยวข้องในกาลมาคุณก็เป็นอย่างนั้น ความทั้งหลายเหมือนความฝันปรากฏชั่วขณะเล็กน้อยอธิ่านมาว่าเราได้กินนั้นได้ทํำนั้นทั้งหลายเหล่านี้หายไปหมดได้ยังเหมือนฝันไหมเหมือนฝันไม่มีอะไรเลยว่างั้นจะแล้วก็แต่ว่ามันมีโทษนะจากการไปทําบาปกับเรื่องนั้นเหมือนของที่ยืมเข้ามาเพราะเป็นของชั่วคราวตา ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหารใหมหารเก่ามันสมองเป็นต้นเหล่าเนี้ยชั่วคราวไหมเดี๋ยเขามาทวงคืนหมดละไม่เหลือตอนนี้ก็ค่อยๆทวงไปแล้วเหมือนผลไม้ขาต้นพ่อทําลายวิวัฒน์น้อยใหญ่เหมือนคนตัดต้นไม้เพื่อผลไม้คนหนึงก็ขึ้นบนบนต้นไม้ไม่ตัดจะกินผลไม้คนข้างล่างก็เอาเรื่อยตัดลําต้นอยู่ ถ้าไม่รีบลงเป็นไงไอหยงบนเป็นไงตายไหมต้นไม้ล้มมาทับตายไหมเหมือนกันไปเกี่ยวข้องกับกามเกี่ยวข้องกับบุตรกับภรรยาถ้าไม่รีบหนีออกมายุ่งยุ่งมานะเล่นงานจนตายอยงนั้นนะเหมือนมีดและเขียงหั่นเนื้อเพราะเป็นเป็นที่สับและหัน่นโอ้โหเจ็บปวดเขียงเนี่ยเขียงหั่นเนื้ อ, อบอกว่าจะต้องรองรับคมมีดทุกวันไหม ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆก็โอ้โหนั่นแหละเหมือนนั้นแหละโดนทุกวันเจ็บปวดทุกวันไปทํากรรมชั่วทุกวันไอ้กรรมชั่วเหล่านั้นก็จะเบียดเบียนกระแสชีวิตตนเองให้เจ็บปวดเข้าใจใไหมบอมเข้าใจไหมในคเนี้มันเคียงขันเนื้อเนี่ยเหมือนอะไรอีกเหมือนเหมือนห อ, อกเหมือนเหลามันแทงตลอดอะ่ะโหยเจ็บปวดบาปรกรรมทั้งหลายที่มันแทงเสียบแทง เหมือนหัวงูเห่าน่ากลัวและน่ารหวาดระแวงคนฉลาดเนี่ยเวลาจะไปเดินเหยียบหัวงูเห่าเนี่ยต้องหนีไหม ง, งูเห่ามันโชคออย่างเงี้ยนี่เหมือนกันแต่ถ้าเราฉลาดก็จะไปเกี่ยวข้องกับการมันให้หนีมันออกมาเสียเพราะงั้นเถอะอริสการพิสูจนเนี่ยถูกพิกษุเหล่านั้นซักไซไล่เลียงด้วยอุปมาต่างๆอย่างนี้แล้วก็ยังยึดมั่นในทิฏฐิชั่วอย่างรุนแรงยังยึดมั่นความเห็นว่าเราเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแล้วโดยธรรมะที่ตรัส ว่ากาะกาะอันตรายไม่อาจจะก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงเพื่อนภิกษุไม่อาจจะเปลี่ยนทิฏฐิของอริตกาภิกษุได้จึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายพิวาตแล้วนั่งนัตถิควรส่วนข้างหนึ่งบอกว่าอริธกาภิคูนี่เกิดทิฏฐิชั่วแล้วถ้าพระองค์ได้สดับอย่างนี้แล้วก็เข้าไปหาก็ไปรายงานพระพุทธเจ้าภาคให้ทราบ ถามเรื่องนั้นอริตกขาภิกษุก็ได้ตอบแก่ข้าพระองค์ว่าจริงพระเจ้าค่าข้าพระเจ้าเข้าใจที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วโดยธรรมที่ตรัสว่าก่ออันตรายแต่ไม่สามารถจะก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงท่านเห็นอย่างนั้นทางนั้นข้าพระองค์ก็ปราถนาจะปลดเปลื้องแล้วก็เลยสอบสวนถามว่าจากล่าวตู่พระพุทธเจ้านะการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าไม่ดีเลยจะเป็นไปเพื่อโทษไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์นะ ตรัดทำที่เป็นอันตรายแก่ทำที่พวกต้ อ, องเสพโดยประการต่างๆนะพุทธเจ้าตรัสไว้มากมายเป็นอนเนกปยายวากามทั้งหลายมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษอย่างยิ่งใหญ่การทั้งหลายเหมือนโครงกระดูกเพราะมีสุกน้อยการทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้อเพราะเกี่ยวข้องทั่วไปกับคนจํานวนมากการทั้งหลายเหมือนคบเพลิงญ่าที่มันจะไหม้มือมันเผาไหม้การทั้งหลายเหมือนลุมถานเพลิงเพราะมีความร้อนแรงมากการทั้งหลายก็เหมือนความฝันเพราะปรากรดชั่วขณะเล็กน้อย การทั้งหลายเหมือนกับของที่ยืมเข้ามาเพราะเป็นของชั่วคราวแป๊บเดียวก็หายไปหมดแล้วการทั้งหลายเหมือนผลไม้สุขขาต้นนั้นคนถ้าไม่รีบหนีออกจากสิ่งเหล่านั้นจะถูกต้นไม้นั้นที่เขาตัดกําลังตัดอยู่นั้นทับการทั้งหลายเหมือนมีดเหมือนเหียงเขียงหั่นเนื้อว่างั้นจะต้องโดนสับอยู่ตลอดเวลาการทั้งหลายเหมือนหอกเหมือนหลาต้องถูกเสียบถูกทิ่มแทงการทั้งหลายเหมือนหัวงูเห่าหน้ากลัวและหน้าหวาดระแวง อริทธกาภิกษุเนี่ยถูกภิกษุเหล่านั้นซักไซไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่ถอนความเห็นไม่ถอนทิฏฐิชั่วว่างั้นอย่างรุนแรงนั้นก็เลยมาฝ้องพระพุทธเจ้าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสกับภิกษุมาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกอริทธกาภิกษุตามคําของเราว่าท่านอริอริธาพระศ า, าสดาเรียกหาท่านบอกให้ไปเรียกมาภิกษุเหล่านั้นนะทูลรับสนองพระตํารัดของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปหาอริทธกา ภิกษุถึงที่อยู่แล้วก็กล่าวว่าท่านอริ tha พระศาสดาตัดเรียกหาท่านนะอริธกะภิกษุเนี่ยรับคําพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าไปรับคํำภิกษุเหล่านั้นแล้วก็ไปฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับแล้วก็ไปถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามเธอว่าอริ tha ได้ยินว่าเธอเกิดทิฐิชั่วเช่นนี้ว่า เราเข้าใจธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยธรรมที่ตรัสว่าก่ออันตรายแต่ไม่สามารถจะออกก่อนตรายแกผู้ซ่องเสพได้จริงอริตเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอริตกาภิกษุก็กลาบททษว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์เข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วโดยธรรมที่ตรัสว่าก่ออันตรายแต่ข้าพระเจ้าเห็นว่าไม่สามารถจะทำอันตรายได้จริงมีความเห็นอย่างนี้จนปักแน่นแล้ว ประกาศยืนยันความเห็นอย่างเนี้ยคิดมาจนตกผลึกแล้วจนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าพูดกันตรงๆก็คืออย่างเนี้ยเห็นแล้วว่าไม่เห็นมีโทษเลยในกรณีที่ภิกษุเนี่ยจะไปถูกต้องกายหญิงนี้เป็นต้นเหล่าเนี้ยบอกงั้นเถอะพระเจ้าก็ตัดตําหนิแรงๆเลยตรงนี้เนี่ยตัดยังไงรู้ไหมว่าโมฆะบุรุตถ้าแปลว่าบุรุษผู้ว่างเปล่าจากมรรคผลแรงไหมอย่างให้พระเจ้าตรัสว่าเราคำนี้ไหม โมฆะบุรุษบุรุษที่วางเปล่าจากมรคนี่เธอเข้าใจธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้จากใครธรรมเนี่ยเออเธอเข้าใจธรรมะที่ทรงแสดงเหล่านี้กับใครเรากล่าวธรรมะที่ก่ออันตรายว่าเป็นธรรมก่ออันตรายโดยประการต่างๆไม่ใช่หรือและธรรมเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริง เรากล่าวว่ากามทั้งหลายมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากมีโทษอย่างใหญ่ยิ่งเออเนี่ยมันมีโทษจริงไหมไล่ไปตามลำดับเนืเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเหมือนโครงกระดูกมันมีสุกน้อยสุนักที่ไปแทะกระดูกเนี่ยมันอิ่มไหมอ้าวเราไปเสพกามไปเกี่ยวข้องกับกามเนี่ยมันอิ่มไหมเหมือนสุนักแทะกระดูกต่อมีกระดูกสักร้อยชิ้นมันห่วงไหม ก็หวงไม่ให้ตัวอื่นมากินใช่ไหมแมันก็แทะกระดูกไปอย่างนั้นแหละมันไม่อิ่มเหมือนชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อมันแย่งกันนะตัวไหนถ้ายังคาบชิ้นเนื้ออยู่ไม่ยอมปล่อยอีแแรงตัวไหนน่ยมันมันคาบชิ้นเนื้อไม่ยอมปล่อยแแรงตัวนั้นจะมีคุณหรือมิโทษกับเขาในขณะที่แแรงมีเป็นร้ 100, อยๆเป็นพันเขามจะมาลุมทึงเนี่ยเขาจะโดนฆ่าตายไหมเป็นแแรงตัวนั้นเนะี่ยโดนไม่โดนโดนไม่โดน ไม่เหลือถามว่าในโลกใบนี้ทุกคนแย่งกามกันไหมแย่งวัตถุกรมกันไหมแย่งนาแย่งไร่แย่งที่ดินแย่งทรัพย์สมบัติกิจการร้านค้าแย่งไม่แย่งแย่งหญิงแย่งชายกันอยู่อย่างนี้แหละแย่งประเทศชาติแย่งไหมแล้วถามว่าคนที่ไม่ยอมปล่อยเนี่ยตายไหมต้องตายคากามไหมบางคนก็ตายคา กระทาน้ำมันทอดปลาทัองโก้เห็นไหมได้แค่ น, นั้นเองบางคนก็นั่นแหละทอผ้าเย็บผ้าทำนาทำไรเป็นช่างภาพไม่ยอมออกอย่างมันตายไหมมันกัดตายไหมเนี่ยตายไม่เหลือกา ม, มันมีโทษอย่างนี้แหละหมกมุ่นอยู่กับบันจะตายนั่นแหละคนฉลาดเขาจึงยอมปล่อยไหมปล่อยไม่ปล่อยนี่แหละ เข้าใจคํานี้ไหมเนี่ยเข้าใจหรือไม่เข้าใจเออเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับมันน่ะเหมือนอิเล้งนี่ยแหละถ้ายังคาบชิ้นเนื้ออยู่วิ่งไปที่ไหนจะมีพวกตามไหมแรงตัวอื่นตามไม่ตามตามไม่เหลือเออไม่เหลือหรอกการเป็นอย่างนี้เหมือนคบเพลิงเหมือนลุมฐานเพลิงเหมือนความฝันเหมือนของที่ยืมเข้ามาเหมือนผลไม้สุขาต้นเหมือนมีดหรือเหมือนเขียงหั่นเนื้อเหมือนหอกเหมือนหล่าเหมือนงูหัวงูเห่า พระบรมศาสดาก็ตรัสอย่างนี้แหละเพราะน่ากลัวและน้าหวาดระแวงโมัวข้าบุรุษเธอชื่อว่ากล่าวตูเราด้วยทิฏฐิที่ถือไว้ผิดด้วยการที่เธอมีทิฏฐิชั่วแบบนี้ชื่วทําทลายตนเองด้วยอย่าทาลายตนเองนะและเป็นการเพิ่มพูนบุญหรือบาปเพิ่มพูนบาปเพิ่มพูนกายทุจริตวจีทุจริตโดยเฉพาะมโนทุจริตเป็นอันมากด้วยความเห็นอย่างนั้นจักเป็นไปเพื่อโทษเป็นไปเพื่อทุก เป็นไปเพื่ออบายทุกขติวิบัตินรกแต่เธอตลอดกาแลแนานโอ้โพระเจ้ากล่าวขนาดนั้นคันพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้ปุ๊บถามว่าอาริษกาพิคูลพิกษูนเห็นยังไงถอนได้ไหมถอนความเห็นได้ไหมได้ไม่ได้บอมได้ไหมอริษฐาเนี่ยสามารถถอนความเห็นได้ไหมถอนไม่ได้ทําไมยังถอนไม่ได้นี่เรื่องน่าคิดเนะี่ยเหมือนคน เฮโรอีนอย่างหนักเข้าถึงกระดูกแล้วติดหรือติดผงขาวใช่ไหหรือบางคนในติดยาบ้าอย่างงอมเงมจนไม่สามารถหรือติดสุไลยอย่างเขาเรียกว่าเป็นไอแอลกอฮอลิกคือมันเข้าไปในกระดูกรุนแรงขนาดนั้นนถามว่า ไปก่าบอกโทษยังไงเนี่ยแต่มันฝังลึกกับเองนั้นนะมันออกได้ไหมออกจากความเห็นได้ไหมต้องระวังนะใครที่สมาทานความเห็นและไปเห็นแล้วมันเดินออกจากมันไม่ได้หลายเรื่องเราเป็นกันเยอะเนอะเข้าใจยังเราไปเดินฝังลึกไปซะแล้วฝังจนไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมกันตัวเองไว้ไปดิ่งดิ่งความเห็นลงไปดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่ ง, ง, ง, งไปปึ๊ก แม้แต่พระเจ้าก็ดึงออกไปนะเขาจอย่างชี้โทษยังไงหูยข้อ อ, อุปมาพระเจ้านี่ทะลุทะลวงไปถึงกระดูกนะเห็นชัดแจ้งเวลาพระเจ้าแสดงธรรมสามารถที่จะเห็นโทษเห็นอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างท่องแท้นะแต่เป็นไงนะออกไม่ได้ลองไปดูคนติดยาเสพติดอย่างรุนแรงเลยหรือคนตัวคนบางคนที่คิดตัวเองจนล็อกเข้าไปเลยแล้วจนบ้าไปแล้ว มันจะออกได้ไหมออกไม่ได้นั้นพยายามตรงนี้เราอย่าไปสุดโต่งในส่วนที่เขียนผิดแบบอริธาพีกากาพ่กุอริทกาภิี่กุถ้าอย่างเงี้ยพุระเจ้าพระเจ้าบอกโมฆะบุรุษเธอชื่อว่ากล่าวตูเราด้วยนะด้วยทิฏฐิที่ถือไว้ผิดคือพระเจ้ากล่าวตูเราก็คือกล่าวกลุบตู่กดความจริงธรรมชาติเน่ยพระเจ้ากล่าวความจริงเป็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่เอาความเห็นมากล่าวกล่าวตามความเป็นจริงเน่ย เป็นการกล่าวตูวเรากล่าวตูวพ่พระเจ้าแล้วเป็นการทำลายตนเองเหตุผลว่าเพราะเธอไปเห็นขัดค้านเน่ขัดแย้งกับสพัญยุตยานนาวรณายานเนี่ยสภัญยุตยานนาวไรณายนยา น, เ, นยเห็นตามความเป็นจริงเหมือนกรณีที่เราเห็นว่านอากาศมันสามสิบองศาเนี่ยนะ อ, อ, อ, อ, อุตุเนี่ยแต่เราไปเห็นว่ามันยี่สิบเนี่ยความจริงมันก็คือความจริง คำสอนพระธเจ้าเนี่ยตรัสเรื่องความจริงกันไว้เข้าใจใช่ไหมไปมองว่าไม่มีโทษแต่จริงๆมันมีโทษยกตัวอย่างเช่นอกรณีการไปทําผิดเนี่ยพระบัญญัติของพระญาเมื่อเข้ามาในกฎกติกาเข้ามาฝึกในหมู่ชนของของภิกษุแล้วเนี่ยก็จะมีระเบียบมีพระวินยัยมีกติกาของพระภิกษุอยู่แต่ถ้าไปล่วงละเมิดนแปลว่าทําลายหลักการของความเป็นพระเรียบร้อยแล้ว ไปทำลายหลักการระเบียบวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติด้วยพระสัพพยญตญาณเมื่อเราไปหักชินจาจักของพระเจ้าเนี่ยชื่อว่าทำลายพระเจ้าลักษณะอย่างนี้กล่าวตูไปกล่าวตูพระเจ้าด้วยแล้วก็เป็นการทำลายตนเองด้วยและการกระทําอย่างนี้เป็นเพิ่มบุญบาปอากุตตรกรรมมันชั่วลายด้วยเป็นอันมากด้วยและความเห็นอย่างเนี้ยจะเป็นไปเพื่อ อ, อบายทุกขติวิริบาตรนรกตลอดกาะตลอดกาลนานด้วย แล้วทีนี้คนบางคนเวลาไปชี้อย่างนี้เราถอนความเห็นไม่ได้เอาคืออย่างเราเนี่ยบางทีเราบอกว่าเราเห็นเราไปเห็นว่าเออเนี่ยการไปดูหนังดูละครไปเสพติดเรื่องอลไรเนี้ยมันดีหรือไม่ดีบอกว่นไม่ดีแต่ทำไมคนละไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยมันติดที่อย่างอย่างเงี้ยมันเสพติดไปเรียบร้อยแล้วทั้งๆที่เห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยในเรื่องเราเนี่ย แต่มนุษย์ก็ละมันไม่ได้จะแล้วไปติดมันจะแล้วในกรณีอริธกะเป็นแบบนี้ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็รับสั่งภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายเธอเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรพระเจ้าไม่สนใจแล้วหันมาทางภิกษุเลยแล้วก็ปล่อยอริธกะนี่แหละนั่งหมดจะปปฏิภานอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็ตําหนิเลยแต่เนี้ยบอกว่าตําหนิบอกว่า ภิกษุทั้งหลายเธอเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรอริทกกาภิกษุเนี้ยสามารถจะพัฒนาปัญญาในพระธรรวินัยได้หรือไม่ถามว่าถ้ามีทิฏฐิชั่วมาเป็นตัวกั้นอย่างเนื้อสามารถจะเจริญปัญญาเนี่ยได้ไหมสามารถจะพัฒนาปัญญาได้ไหมได้ไม่ได้บําได้ไม่ได้อริทกกาภิกษุสามารถจะพัฒนาปัญญาขึ้นอีกได้ไหมเพราะมีอะไรกลอบอยู่ มีอะไรกักอยู่ทิฏฐิเป็นตัวกักกั้นกันปัญญาเรียบร้อยแล้วไม่สามารถจะเจริญปัญญาพัฒนาปัญญาได้แล้วพ้อยตัวมิจฉาทิฏฐิตัวนี้ไอ้ความเห็นผิดนีนตัวกั้นทําให้พัฒนาปัญญาไปถึงกรรมสกทาปัญญาปัญญาที่ไปฉลาดในเรื่องกรรมของคนกรรมก็ไม่ได้พัฒนาไปสู่ฌานนะปัญญาปัญญาที่เข้าถึงฌานสมาบัติก็ไม่ได้พัฒนาไปสู่วิปัสนาปัญญาปัญญาที่เข้าไปรู้รูปนามตามความเป็นจริงก็ไม่ได้ พัฒนาไปสู่มรคปัญญาปัญญาที่ไปแทงตลอดอริยาสาัจสีเป็นต้นก็ไม่ได้ไปพัฒนาปัญญาระดับผลแล้วปัญญาปัจจเวะขณาปัญญาเป็นต้นเนี่ยเข้าถึงผลเข้าถึงการพิจารณากิเลสที่รักกิเลสที่เหลือเป็นต้นก็ไม่ได้แปลว่าหมดสิทธิ์ในการพัฒนาปัญญาถ้าใครมีทิฏฐิเป็นตอเป็นหนามาขวางกัน้นการพัฒนาปัญญาของตนเองแล้วเราเนี่ยระวังนะเราอันตรายเหล่านี้เราพ้นไดยังเราพ้นจะอันตรายตัวนี้ได้ยัง โอ้เนี่ยถ้าเราปล่อยทิฐิที่มันผิดขึ้นมาผิดพลาดขึ้นมาไิดดิ่งลงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมามันจะเป็นตัวกันปัญญากักปัญญาไม่สามารถทําให้ปัญญานะ่ะพัฒนาตัวต่อไปหรือพัฒนาเดินหน้าไปได้นี่ยอันนี้สําคัญมากพระเจ้าจึงถามบอกว่าอริ tha ภิกษุเนี่ยสามารถจะพัฒนาปัญญาในพระธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่ไอ้ความเห็นแบบนนนนเนี้ยพัฒนาพระธรรมวินัยเนี่ยแทงตลอดพัฒนาไปจนถึงโลกุตละปัญญาไปต้นจะได้ไหมภิกษุกราบทุนว่าจะ มีได้อย่างไรหามิได้พระุทธเจ้าครัไม่เป็นไปได้เลยคนอย่างเนี้ยกอทิฏฐิกอดความเห็นอย่างเนี้ยไม่สามารถพัฒนาปัญญาได้แล้วบอดแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างเนี้ยอริยะกะภิกษุก็นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบสาวหมดปฏิพานพอครั้งนั้นพระุทธเจ้าก็เห็นอริยะกะนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบสาวหมดปฏิพานก็ตรัสกับเธอว่าโมฆะบุรุษ เธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิชั่วของตนเองนั้นเราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้พระเจ้าบอกว่าบอกว่าเนี่ยเธอจะต้องปรากฏด้วยทิฏฐิชั่วของตนเองนั้นก็ทิฏฐิชั่วงเธอจะต้องทําให้เธอต้องเจ็บปวดแล้วเธอจะอปรากฏในตลวงวเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยลิธกาลภิกษุบางทีแกก็คิคดเออคนเนี่ยมันคิดแปลกนะ เวลาโดนตําหนิอย่างนี้ก็คิดว่าเ อ, อสาตาภิกขุโดนพระเจ้าบอกว่าโมฆะบุรุษก็ยังสามารถบรรลุได้เออเราก็ต้องบรรลุได้ยังยคิดเข้าข้างตัวเองแบบนี้นะหรืออา้าวทั้งแม้เราเป็นภิกษุไม่ได้สึกออกไปแล้วก็เป็นได้เข้าใจไหมแต่จริงๆเมื่อไปเป็นฆราวาสเนี่ยแต่ทิฏฐิรา้ร า, ยรายกาศอย่างนี้ถอนไม่ได้แต่เพียงเปลี่ยนเพศไปแล้วจะพ้นทุกข์ได้จริงไหมจะพัฒนาปัญญาได้จริงไหมเพราะมันไม่เรื่องการเปลี่ยนเพศหรือไม่เปลี่ยนเพศแต่เป็นเรื่องของ ทิฏฐิเป็นเรื่องของสมาทานเป็นเรื่องการถือมันความเห็นผิดมันปล่อยไม่ได้เลยแล้วมันติดขึ้นมันแล้วบางคนเนี่ยเข้าไปติดกับดักจนไม่สามารถจะเดินออกมาได้เข้าใจอย่างนี่ยตรงนี้เป็นตอเรียบร้อยไปแล้วน่ากลัวอย่างนี้เลยนี่พวกเราก็ต้องระวังอย่าให้ความเห็นมันเตลดิดไอ้ตรงเนี้ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอริยสาวกพุูเนี่ยอาจพัฒนาปัญญาในวิธามิตรในนี้ได้ไหมพระก็บอกไม่ได้แน่นอน พอไปสอบถามมาหลายรอบแล้วครั้งนั้นพระรัชย่าก็ตรัส ก, กับภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่เหมือนถามว่าพระรัเจ้าตรัสถามภิกษุว่าเธอเข้าใจธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้เหมือนที่อริฏฐะภิกขุนี้กล่าวตู่เราด้วยทิฏฐิที่ยึดถือไว้ผิดทําลายตนเองด้วยเพิ่มพูนบาปเป็นอันมากด้วยเป็นไปเพื่อ อ, อบายทุกติวิบาณนลกเป็นต้นด้วยหรือ ภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลว่าไม่หรอกข้าพระองค์ไม่ได้เห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าว่าอย่งนั้นนะเพราะพระองค์ตรัสธรรมะที่ก่ออันตรายว่าเป็นธรรมะก่ออันตรายแก่ข่าพระองค์แก่อันตรายแก่ข่าพระองค์โดยประการต่างๆและธรรมเหล่านั้นก็อาจก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าการทั้งหลายมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากไล่ไปตามลำดับดังที่ได้กล่าวนี่แหละ เหมือนโครงกระดูกเหมือนชิ้นเนื้อเหมือนเหมือนคบเพิงญ้าเพราะเผาไหม้เหมือนหลุมถ่านเพลิงเพราะมีความร้อนแรงมากเหมือนความฝันเพราะปรากฏชั่วขณะเล็กน้อยเหมือนของที่ยืมเข้ามาเพราะเป็นของยืมชั่วคราวเหมือนผลไม้สุกขาต้นก็เหมือนมีดและเขียงหั่นเนื้อเพราะเป็นที่สับและเป็นที่หั่นเหมือนหอกและหลาวก็เหมือนหัวงูเห่าเพราะน่ากลัวและน่าหวาดระแวงเป็นต้น พระพุทธเจ้าก็อุปมาลักษณะอย่างนี้นะไล่ไปตามลําดับพอพระเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถูกแล้วเธอเข้าใจธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้เหมือนที่เรากล่าวทำที่ก่ออันตรายว่าเป็นทำก่อนอันตรายไว้โดยประการอะ้รต่างและทำเหล่านั้นก็ก่ออันตรายแก่ผู้ที่ซ่องเสพได้จริงเรากล่าวว่าการมทั้งหลายมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากเป็นต้นจนถึงการมทั้งหลายเหมือนหัวงูเห่าแต่อริฏฐาภิกษุเนี้ย กล่าวตัวเราด้วยทิฏฐิที่ยึดถือไว้ผิดเป็นการทําลายตนเองด้วยและเพิ่มพูนบาปกัศุลกรรมมันชั่วช้าเป็นอันมากด้วยความหินผิดเห็นผิดของเธอนั้นจะเป็นไปเพื่อโทษเคือบายทุกขติวิธิบาสนรกและแก่ทุกแต่โมฆะบุรุษนั้นตลอดกาลนานเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจะเสพกามโดยปราศจากกามสัญญาและกามวิตกหมายความว่าอะไร บอกเป็นไปไม่ได้เลยนะที่พิษุนั้นจะเสพกามโดยปราศจากกามหรือปราศจากกามมาสัญญาและการมัธวิตกเป็นไปได้ไหมคนที่ไปเกี่ยวข้องกับกามเนี่ยแต่จะไม่มีกามมสัญญาความจำในกามนั้นหรือว่ากามมัธิตกความตรึกในกามนั้นจิตจะโหยหาในกามนั้นเป็นไปได้ไหมว่าเออเราไปเกี่ยวข้องในกามแบบประเภทปล่อยวางนันเป็นไปได้ไหม มันไม่ได้ตรึกในกาไม่ได้หัวระลึกถึงกามไม่ได้อะไรอวรในกามไม่ได้ติดแน่นในกามหรอกแต่เป็นการเสพกามแบบปล่อยวางอ่ะไม่เกี่ยวข้องกับสีที่สวยๆเสียงที่เพราะๆกลิ่นที่อหอมๆรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆทํานายลมที่น่าชอบใจทั้งหลายเหล่าเนี้ยไม่ได้ไปยินดีเพลิดเพลินอะไรมันหรอกไม่ได้เป็นดํมบลีในกาไม่ได้มีกามาสัญญาไปจำหมายในกามันน่ารักน่าใครน่าพอใจชวนให้รักชักใครๆไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยดังนั้นเธอไปเสพกามโดยเฉพาะมีสติสัมรับชัญญะ อย่างแรงการ้าเบนไปได้ไหมได้ไม่ได้ยจะเบนไปได้ได้ยังไงก็มัวเมาลุ่มหลงนี่นะคำว่ากามสัญญาคือสัญญาที่ประกอบไปด้วยกิเลสกรรมนะเป็นความจําที่เกิดร่วมกับความยินดีความติดใจความเพลิดเพลินคําว่าการเสพกามโดยปราศจากกรรมก็คือการเสพวัตถุกรรมอันได้แก่บุคคลและสิ่งของที่น่าพอใจโดยปราศจากกิเลสกรรมและปราจากตัณหาเป็นไปไม่ได้ ส่นกา ร, รมาวิตกก็คือวิตกที่ประกอบไปด้วยกิเลสกรรมเป็นความคิดความตึกความคิดนึกความอะไรอวร์ในกา ร, รมทั้งหลายเหล่านี้เป็นตน้นมองเห็นไหมแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้คนที่ไปเกี่ยวข้องการรมโดยไม่มีความยินดีอา้าวถามว่าพิกษุเนี่ยโอ้เราจะไปจับต้องกายหญิงแต่เราไม่ได้มีความยินดีเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้แล้วฉันอยากจะจับเงินเนี่ยแต่ฉันไม่ได้ยินดีในเงินล็อก ฉันจับพอเป็นหน้าที่ไปอย่างนั้นแหละเชื่อไหมเชื่อไม่เชื่อมัอมอนไม่ได้ที่ไหนล่ะในพระเจ้าจึงบอกว่ามันมีโทษแต่พระเหล่าเนี้ยเห็นว่าไม่มีโทษเนี่ยไปบอกว่าเออในพระเจ้าเนี่ยตอนไม่ก่อนพระเจ้าบัญญัติไม่ให้จับเงินแต่ปัจจุบันเนี้ไม่ได้แล้วเพราะงั้นเถอะไปเห็นว่ามันไม่มีโทษทั้งทั้งที่มีโทษหรือไม่มีโทษ ม, มีโทษก็คือมันมีกิเลสกรรมมีการมมาสัญญาความจําหมายเนี่ยความจําหมายเนี่ยไปเกี่ยวข้องมีการ ม, มาวิตกความตรึกในการมเป็นต้นไอตัวเหล่านี้ยเห็นไหมว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองถึงไอตัววัตถุอนามาต์ทั้งหลายเหล่านี้มันมีโทษแต่ว่าโมคะบุรุษทั้งหลายเห็นว่ามันไม่มีโทษตรงนี้ขยายไว้แล้วนะโมฆะบุรุษบางคนในพระธรรมวินัยนี้เราเรียนธรรมะอะไรแต่นี้ีที่ขีดนะเวลาศึกษาพระธรรมต้องระวังตรงเนี้ พุทธเจ้าก็กล่าวไว้นะบอกว่าโมค้าบุรุษบางคนในพระธรรมวินัยนี้เล่าเรียนธรรมะคือสุตตะไคยะวยากรณาคาถาอุทานิทธิวธุตกาชาตกะอภูตธรรมเวทละขั้นเล่าเรียนขั้นเรียนแล้วไม่ใช้ปัญญาไตรตรองไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไม่ใช้ปัญญาสอบสวนเนื้อความแห่งธรรมะนั้นธรรมเหล่านั้นจึงไม่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาโมค้าบุรุษเหล่านั้นขั้นเรียนธรรมะ เรียนธรรมะไปก็เรียนเพื่ออะไรเพื่อไว้คมคูคนอื่นเพื่อเพื้องตนเองจากการโต้แยง้งเพื่อราบสกาลาเสียงสารเสริญเย็นยอว่าไปย่อมในรับประโยชน์จากจากประโยชน์ของธรรมะนั้นเหมือนที่กุลบุตรเล่าเรียนธรรมะได้รับทำที่เรียนไม่ดีนั้นย่อมเป็นไปเพื่อโทษเป็นไปเพื่อทุกข์แก่โมฆะบุรุษเหล่านั้นตลอดกาลนานนี้เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเขาเรียนธรรมะที่ไม่ดีศึกษาพระธรรมที่ไม่ดี เนี่ยเขาเรียกอากาทูปริยัตเนี่ยนะการเรียนธรรมะประดุจ ด, ดังจับงูพิษทางหางการเล่าเรียนธรรมะเพื่อมุ่งลาบสกาละเสียงสรรเสริญเยนยอการเรียนธรรมะเพื่อให้ได้จีวรการเรียนธรรมะเพื่อให้คนรู้จักจะได้ให้ภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัทข้าบดีบริษัททั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ได้รู้จักเราอย่ง น, นั้นเถอะนี่เป็นอย่างนั้นเพราะเขาของว่าอุปมาเหมือนอะไร เหมือนบุรุษต้องการเที่ยวสแสวงหางูพิษเขาพบงูพิษตัวใหญ่จึงจับมันที่ขนดหรือจับมันที่หางว่ามันแววงกัดเข้าที่มือที่แขนหรืออ ว, วัยวะน้อยใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็จะต้องตายหรืออาจตายเนี่ยนะหรือได้รับทุกปางตายด้วยการถูกกัดนั้นนี้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเขาจับงูพิษไม่ดีฉันใดโมค้าบุรุษบางคนในพระธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้น เรียนพระธรรมคําสอนของพระพทเจ้าที่ประกอบไปด้วยองค์เ้าเนี่ยสุตตากยะวยากรณาคาถาอุทานิทธิวุตกาอภุดธรรมเวทะละชาตกาพุดธรรมเวทะละขั้นเรียนแล้วเนี่ยไม่ใช้ปัญญาพิจารณานีไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไญญาารณาตรตรองเนื้อความไม่พิจารณาเหตุและผลทําเหล่านั้นจึงไม่ประจักษ์ชัดแก่เขาพวกเขาเรียนธรรมะไปเพื่อขม่มรูคู้อื่นบ้างเพื่อเพื้องตนเองออกจากความโต้แย้งบ้างย่อมไม่รับประโยชน์จา ก, จาก ได้ไม่รับประโยชน์ของธรรมะนั้นเหมือนกุลบุตรทั้งหลายที่เขาเรียนธรรมะที่พึงจะได้รับธรรมที่เรียนไว้ไม่ดีนั้นย่อมเป็นไปเพื่อโทษเป็นไปเพื่ออบายทุกติวินุบาตนรกตลอดกาลนานแกบุคคลประเภทนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเขาเรียนธรรมะไม่ดีก็ <c oughs> เดี๋ยวนี้ยตรงนี้ทําความเข้าใจเนะีการเรียนธรรมะที่หมายถึงในพระสูตรนี้เป็นการเรียนธรรมะเพื่อพ้นไปจาก อ, อกวัตรทุกขนะ์เนียการศึกษาเรียนธรรมะในพระธรรมวินัยจึงมีสามอย่างหนึ่ง อารักขาทปริยัตยิ 2. นิทนิทรณนะถะปริยัตยิ 3. คันดาคาริกาปริยัตยเอออารักขาทปริยัตเนี่ยหมายถึงการเรียนปริยัตยประดุดงูพิษเหมือนกับจับงูพิษทางหางเป็นการเล่าเรียนธรรมะดังที่ได้กล่าวมุ่งลาบมุ่งสการะมุ่งชื่อเสียงมุ่งเกียรติยศชื่อเสียงมุ่งการได้ที่อยู่อาศัยจีวร อ, อาหารเครื่องนุ่งห่มยา การเรียนธรรมะเพื่อให้พุทธบริษัทรู้จักเราเราจะได้มีเกียรติยศชื่อเสียงเยอะๆยๆเๆเมื่อคนรู้จักเราแล้วลาบสกาลาจะได้เกิดขึ้นแกเราเยอะๆเๆเนี่ยลักษณะเนี่ยเป็นการเรียนธรรมะผิดหรือถูกตั้งจิตไว้ผิดหรือถูกเออเนี่ยเขาเรียกอรรถกฐูปริยัติประการที่สองนิจธรณมะปริยัติหรือนิจธรรมะปริยัติหรือนิจธรณมะปริยัติก็เดีการเรียนปริยัติเพื่อออกจากวัฏจัก ได้แก่การเรียนธรรมะโดยการตั้งใจว่าเราจะเล่าเรียนพุทธพจน์คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อจะได้เป็นปัจจัยต่อการบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์เราจะได้บําเพ็ญสมาธิให้บริบูรณ์บาเพ็ญวิปัสนยาปัญญาให้บริบูรณ์และเราจักอบรมมรรคคือศีลสมาจะประชุมศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคจะทําให้แจ้งซึ่งอาหารหัตผลให้เกิดขึ้นเรียนปริยตัตเพื่อจะออกจากวัฏฏทุก์อย่างเนี้ยอันนี้ดีหรือไม่ดีเนี่ยปุรุชนต้องมีนิทรนธรรมปริยัตอย่างนี้ ส่วนประการที่3คือคันดาคาริกาปริยัติในการเล่าเรียนปริยัติเนี่ยประดุดดังขุนคลังได้แก่การเล่าเรียนของพระขีณาสพคือผ้าหันนะผ้าหันเนี่ยท่านจะศึกษาธรรมะด้วยการกําหนดลูกขันแล้วก็ลักกิเลสได้อบรมมรรคทำให้แจ้งแล้วเมื่อเราเรียนพุทธพจน์จึงเป็นการทรงแบบแผนรักษาประเพณีรักษาอาริยวงของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าวไว้เท่านั้นเองท่านไม่ต้องการเรียนธรรมะ เพื่อไปละกิเลสพื่อทละได้แล้วฉั้นท่านจะเรียนตามแบบแผนเป๊ะเลยแบบแผนเรียนมายัางไงประเพณีเรียนมายัางไงท่านต้องการรักษาอริยวงวงของพระเดียเจ้าต้องการรักษาวงของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นเมื่อสักครู่กล่าวถึงเรื่องของคําสอนของพระศ า, าสดาประกอบด้วยองค์9้านีสัตว์เขาเรียกว่าสุตตานี่สุตตาก็คืออุปโตวิพังนิเทศมีจุลนิเทศมานิเทศเนี่ยขันธกาลปริวาละ พระสูตรในคมภีรสุตรแตนิบาศมีมงคอ ล, ลสูตรรัตนสูตรนารกาสูตรตัวตกาสูตรเป็นต้นพร้อมทั้งพระพุทธดำหลัดอื่นๆที่ชื่อว่าสุตตะทั้งหลายเหล่านี้จัดเข้าสุตตะือเรียนว่าทำมิในเหล่าเนี้นะค ย, ยะนี่หมายถึงพระสูตรที่มีคาถาทั้งหมดว่าโดยพิเศษก็คือคาถาสักการ์ทวักนะสัาทวักในคมภีสังยุทธนั่นแหละนั่นที่เป็นรูปแบบคาถาเวยกากรณาหนี่เวยากรณ์นี่ก็คือพระพิธรรมปิดกที่เน้นบอม ต้องเดินทางไปเรียนทุกวันทุกวันเวียกร์ไวยากรณ์ไวยากรณะเนี่ยเป็นพระสูตรที่ไม่มีคาถาหลอกเป็นพุทธพจน์เนอะพร้อมด้วพุทธพจน์อื่นๆที่ไม่นับเข้าในองค์ในองค์แปดนี้ด้วยนะนี่เวี ย, ยกรณนะเรียนจะจบปะยังต้องจบประฐานนะถึงเรียกว่าจบจบปายังไม่จบเนีต้องศึกษาให้จบนะต้องศึกษา แล้วก็คาถาคือทำมาบทบ้างเถรคาถาเถรีคาถาคาถาล้วนที่ไม่มีชื่อในสูตรในคมภีรสุดตันิบาทส่วนคำว่าอุทานก็คือมีพระสูตร82สูตรที่ประกอบไปด้วยคาถาที่เกิดจากสมอนัสยานยานที่เป่งออกมาด้วยความสมอัสอิติวุติกะก็มีอยู่110สูตรมีวุตันเหตังภะควตาสมจริงดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นต้นในอิติกุตกะที่ไกอิติวุติกะชาติกะก็คือชาดก150ชาดกนะ มีอัปปนกาศชาดกเป็นต้นที่จริงตรวจสอบจริงๆเหลือร้7ชาดกขาดไป 3, 3ชาดกไม่รู้หายไปไหนส่วนอภูตรธรรมก็คือพระสูตรที่ประกอบไปด้วยธรรมะอนาสจันรที่ไม่เคยที่ไม่เคยมีทั้งหมดที่ดำเนินโดยนหนว่าจัตตโรเมพิกเวอัจริยาอภูตรธรรมมาอนันทะภิกษตรต้งหลายธรรมที่น่าอัศาจรรย์ ที่ไม่เคยมีสี่ประการนี้มีอยู่ในพานนอย่างนี้เป็นต้นสันเวทันละเนี่ยมียจุระเวทันละมหาเวทันละสมาธิสูตรสา ก, ก่าปัญหาสูตรสังขารพาชนิยสูตรมหาปุญณสูตรเป็นต้นที่มีผู้ทูลถามแล้วได้รับความเข้าใจความชื่นชมยินดีเป็นต้นอันนี้ก็คือองค์เก้าสรุปก็คือพระวินยัยยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระพิทามปิฎกนี่แหละองค์เกาเนี่ยขยายเป็นสามก็ได้นะ เป็นห้านิกายก็ได้ทีคัิกายมัชฌิมนิกายอังคตะระิกายสังยตระดิกายคุกากนิกายเนี่ยนะ <Yeah. S 1> นี่ก็ได้ไดแล้วก็ว่าโดยสก็คือวินัยยาปิโดกสุตันยปิโกุภิธรรมว่าโดยองค้านี้ก็ได้กล<ม>ุ่บทนี้กลุ่บทบางคนในพระธรรมวินัยนี้เล่าเรียนธรรมะคือสุตตะเคยยวยาการณค า, าถาอุทานีติวุฒกาชาตกาอภุตธรรมและเวทระ คั้นแล้วใช้ปัญญาไตรตรองเนื้อความเนี่ยเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองอย่างดีอย่างรอบคอบแล้วธรรมะเหล่านั้นก็จะประจากฏชัดพวกเขาเ ร, าเร่รอนธรรมะไม่ใช่เรียนไปเพื่อข่มขูคนอื่นนะแต่เป็นการศึกษาพระธรรมเพื่อเปื้องตนเองเพื่อเพื้องตนเองออกจากการโต้แย้งไม่ใช่ศึกษาธรรมะที่เป็นไปเพื่อราบสกาล์เสียงสารเสริญเย็ยนยอ แต่เป็นการศึกษาธรรมะเพื่อการขัดเกลวย่อมได้รับประโยชน์คือได้รับอริยมรรคอริยผลของเธอนั้นอย่างที่กลุลบุตรที่เราเรียนธรรมะพึงได้รับทำเหล่านั้นที่พวกเขาเรียนดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานโอ้เป็นไปเพื่อประโยชน์จริงๆนะเพื่อเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ประโยชน์ที่ตาเห็นได้ย่อมเป็นไปเพื่อสัมปรายิกาถ้าประโยชน์ประโยชน์ที่เลยตาเห็นย่อมเป็นไปเพื่อปรมาถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือการสิ้นจากกิเลสและกองทุกข ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเขาเรียนธรรมะดีแล้วบุรุษผู้ต้องการเที่ยวหาสแสวงงูพิษเวลาเขาพบงูพิษตัวใหญ่แล้วก็เขาก็ใช้ไม้ก็ได้ใช้ไม้ที่มีสามง่ามนี่แหละเหมือนขาแพะกดมันไว้แน่นเลยกดที่ศีรษะไว้แล้วก็จับมันค่อยๆอย่างนั้นแหละอย่างมั่นคงถึงแม่ ง, งูพิษนั้นจะใช้ขนดลัดมือรัดแขนหรื อ, อวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่ง แต่เขาไม่ตายและไม่รับทุกปางตายด้วยการลัดนั้นที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเขาจับงูพิษไว้มั่นฉันนั้นเหมือนกันว่ า, าเราศึกษาพระธรรมเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาที่มั่นคงใช้สติสัมปชัญญะใช้ปัญญาใช้ความเพียรใช้การพิจารณาอย่างรอบครอบมีหลักเกณฑ์มีการตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกอย่างชัดเจนอย่างทองแท้ไม่ใช่เรียนเอาแบบสุกๆดิบๆเรียนประศัก์แต่ว่าเรียน เรียนเพื่อหวังประโยชน์เออเนี่ยฉันเรียนแค่นี้ก็พอแล้วจบจบกติกาแล้วเนี่ยไอเรียนแบบนี้เรียนแบบอะไรแบบจับงูพิษทางหางหรือแบบว่ามีไม้ไอสามเหมือนเหมือนเหมือนเหมือ น, นหัวแพะ้สามง่ามเนี่ยไปกดที่ศีรษะงูเรียนแบบไหนดีหนูเรียนแบบไหนเรียนแบบแรกหรือแบบหลังเรียนแบบจับงูพิษทางหางใช่ไหมจะเจ็บปวด แล้วจะถูกเจ็บปวดเพราะจะความรู้ที่รู้ว่าผิดนี่แหละมันจะนําลงสู่ลงอบายทุกขติวิธิบัตน า, าลกต้องระวังนะเออมันจะนําไปสู่อบายทุกขติวิธิบาตนาลกเพราะเป็นการเรียนที่ไม่ดีแต่เขาไม่ตายและไม่รับทุกปางตายด้วยการรัดของงูนั้นที่เป็นอย่างนั้นเพราะเขาจับงูพิษไว้มัดชันใดกุลบุตรบางคนในพระธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นศึกษาศีลสมาธิปัญญาทั้งหลายเรียนธรรมะที่เป็นสุดตากย่าเวยาวยการณาคาถาอุทาน อิทิวิทยาชาติกาพุทธธรรมเวทละคั้นแล้วใช้ปัญญาไตรตองเนื้อความนะใช้ปัญญาพิจารณาไตรตองเนื้อความนั้นเมื่อใช้ปัญญาไตรตองเนื้อความแล้วธรรมะเหล่านั้นก็จะปรากฏชัดเห็นไห้เวลเรียนธรรมะไปเสร็จก็ใช้ปัญญาไตรตรองตรวจสอบให้รอบคอบให้ท่องแท้พิจารณาแล้วพิจารณาอีกนี่นะยังให้ตองแท้ พวกเขาเรียนธรรมะนี้ไม่ใช่เพื่อข่มขู่คนอื่นเลยนะและเรียนธรรมะเพื่อเปลื้องตนเองออกจากาการโต้แยง้งออกจากทิฏฐิชั่วนั้นเรียนธรรมะเพื่อจะออกจากความโลภออกจากความโกรธออกจากความหลงออกจากความเห็นผิดเรียนธรรมะเพื่อจะขัดเกลาตัวเองเมื่อเขาเรียนธรรมะในลักษณะอย่างนี้ย่อมได้รับประโยชน์จากธรรมะชชนั้นอย่างที่กุลบุตรผู้เราเรีรยนธรรมะจะพึงได้รับธรรมะที่เรียนมาดีแล้วก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานเนี เพื่อทิฏฐธรรมิกาท่าปรโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันสัมปรายิกาท่าประโยชน์ประโยชน์ในภพหน้าปรมาทัยประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือการสิ้นจากกิเลสกองทุกข์เห็นไหมจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขจะเป็นไปเพื่อบรมสุขคือพระนิพพานนั้นอย่างแท้จริงตลอดกาลนานที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเขาเรียนธรรมะมาดีเขาเรียนเป็นเขาไม่ใช่คนมึนๆเรียนไม่ใช่ไปเรียนสักดิแต่ว่าเรียนไม่ใช่เรียนเพื่อเอาใบประกาศไม่ใช่เรียนเพื่อคนอื่นรู้ว่าฉันเรียนได้แค่นี้แค่นี้แต่ที่ไหนได้เขาเรียนเพื่อการ ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจให้ส่องแท้เลยไม่ได้เอาไปโชว์ไปอวดใครเลยก็ยัอย่างแต่เรียนเพื่อการขัดเกลาจริงๆอย่างเงี้ยเพราะเหตุนั้นเธอเข้าใจความข้อธรรมะใดที่เรากล่าวไว้แล้วควรทรงจําธรรมะนั้นไว้อย่างนั้นเถิดหากเธอไม่เข้าใจเนื้อความของธรรมะที่เรากล่าวก็ควรสอบถามเราหรือถามภิกษุผู้ฉลาดในธรรมะนั้นเถิดเอาละสิถ้าไม่เข้าใจให้ถามพระเจ้าหรือถามภิกษุที่ชาญฉลาด ธรรมะเปรียบเหมือนแพรยังไงเราจะแสดงธรรมะเปรียบเหมือนแพรแก่เธอเพื่อสลัดออกจากห่วงของกิเลสคือราคะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงเหตุการณ์ต้ประุธาจารทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อยึดถือเรียนธรรมะเนี่ยเรียนศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพื่อจะสลัดออกจากราคะโทสะโมหะไม่ใช่เพื่อยึดถือ เธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกกาพิกษุเหล่านั้นทนรับสนองพระดารัสของพระเจ้าแล้วพระเจ้าตรัสว่าอุปมาเหมือนบุรุษที่เดินทางไกลนะไปพบห้องนแม่น้ําใหญ่ฝั่งนี้น่ากลัวและหวาดเสียวมีภัยมากเห็นพอไหมฝั่งที่เราอยู่นี่มีภัยมากมีทั้งวาตภัยมีทั้งอักคีภัยมีทั้งอุทกภัยมีทั้งภัยเพราะน้ำํำภัยเพราะลมภัยเพราะ ไฟภัยพระโจรภัยพอแผ่นดินไหวอะไรสารพัดหมดแหละมีภัยมากฝั่งโน้นกเกษมปลอดภัยหรือสะพานสําหรับข้ามไปฝั่งโน้นไม่มีเรือนะเรือหรือสะพานข้ามไปมีเขาก็คิดว่าห่วงน้ํานี้ใหญ่นักฝั่งนี้น่ากลัวมีภัยมีอันตรายมากฝั่งโน้นกเกษมไม่มีภัยเรือหรือสะพานสําหรับข้ามแม่น้ํานั้นก็ไม่มีทางที่ดี เราควรรวบรวมหญ้ารวบรวมไม้กิ่งไม้หรือใบไม้มาผูกเป็นแพรแล้วอาศัยแพรนั้นใช้มือใช้เท้าพุยน้าก็คือกระพุกนะกวกน้ำอะ่ะก็จะข้ามฝั่งไปด้วยดีและสวัสดีเข้าถึงความปลอดภัยต่อมาเนี่ยเมื่อเขาคิดอย่างนี้แล้วบุตรเนี่ยก็รวบรวมหญ้าบ้างไม้บ้างกิ่งไม้ใบไม้บ้างมาผูกกันทำเป็นแพร แล้วก็สายแพนั้ น, นใช้มือใช้เท้านี่นะพุ้ยน้ำเพื่อข้ามฝั่งไปให้เข้าถึงความสวัสดีเมื่อเขาข้ามฝั่งไปก็คิดว่าแพนี้มีประโยชน์แก่เรามากนะเราอาศัยแพนี้ใช้มือใช้เท้าพุ้ยน้ำข้ามฝั่งได้ดีได้ความสวัสดีทางที่ดีเราควรยกแพนนี้ขึ้นทูลศรีรษะแบกเรือเนี่ยหรือยกขึ้นแบกใส่บานี่นะ ไปสู่สถานที่ต้องการเธอเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรเขาผู้นั้นทําอย่างนี้เป็นการทําหน้าที่ในแพนนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกหรือไม่ถูกแบกเลือกไปนี่ไม่ถูกหรือเพราะอะไรเพราะอะไรถูกไม่ถูกไม่ถูก พิสูจทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าข้าบอกเราพูดถูกนะเนี่ยนะอนที่ถูกคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าเขาทําอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เ, เขาทําอย่างไรจรึงทําหน้าที่ในแพ่นั้นอย่างถูกต้องเขาข้ามฝั่งได้แล้วก็คิดว่าแพ่นี้มีประโยชน์แก่เรามากนัก เราอาศัยแพ่นี้ใช้มือเท้าพุ้ยน้ำข้ามฝั่งได้โดยสวัสดีทางที่ดีเราควรยกแพ่นี้ขึ้นวางไว้บนบกหรือให้ลอยอยู่ในน้ำแล้วก็ไปสู่สถานที่ตนเอง ต, งต้องการเขาพูดทำอย่างนี้จึงชื่อว่าทำหน้าที่ในแพ่นั้นถูกต้องแม้ชั้นใดเราก็ชั้นนั้นแสดงธรรมะที่ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเปรียบสมืนแพรแกเธอ แสดงธรรมะคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดาริถูกต้องสัมมาวาจาการกล่าววาจาถูกต้องสัมมากรรมมันตากการกระทําถูกต้องสัมมาชีวะการเลี้ยงชีพถูกต้องสัมมาวิยะมะความเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติการระลึกที่ถูกต้องสัมมาสมาธิความตั้งมั่นในจิตถูกต้องเราแสดงธรรมะคือศีลสมมาธิปัญญานี่นะแสดงธรรมะเหมือนแพร่แก่เธอเพื่อสลัดออกไม่ใช่เพื่อยึดถือเธอเข้าใจธรรมะเปรียบได้แพรที่เราแสดงแล้วควร ควรละแม้กระทั่งธรรมะคือควรละแม้กระทั่งศีลสมาธิปัญญาเน่ยภาวนากุศลก็คือสมถะวิปัสนาไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงธรรมะไม่ต้องกล่าวถึงอาธรรมนะคืออกุศลมีการฆ่าสัตว์มีการเสียเมถุนธรรมเป็นต้นก็ขนาดธรรมะระดับศีลสมาธิปัญญาเรายังสอนให้ละเลยเมื่อถึงที่สุดจะป่วยกล่าวไปใหญ่กะธรรมะที่เป็นอาธรรม คือการฆ่าการใส่เมถุนเป็นต้นเข้าใจอย่างว่าสิ่งเหล่านั้นจึงไม่ควรละจริงๆก็คือควรละเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคาในสมถะและวิปัสนาญาณ น, นะอีกด้วยเพราะฉันทราคาคือตัณหานี่แหละจะเห็นได้ว่าผ้านาคามียังมีความพอใจในรูปประชานในโลกประชานน ะ, ะานนะอีกทางยังพอใจในการเกิดในสุทธาวาส ด, ด้วย จึงยังต้องไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุท้ายว่าเสียชีวิตแล้วแต่พระอรหันต์ไม่มีความพอใจดังกล่าวแล้วจึงไม่เกิดเหมือนพระนาคามีอีกพระองค์ก็สอนให้กําจัดชั้นทราคะความติดใจใบกระสันในกุศลแต่อริ tha พิกุในเห็นว่าการเสพเมถุนไม่มีโทษจึงเป็นความเห็นที่ขัดแย้งกับคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงกระย๊ะยังขัดแย้งไหมขัดแยง้งความเห็นของปุรุชนและอริยะต่างกันยังไง ก็อย่างนี้ว่าเหตุเกิดของมิจฉาทิฏฐิมี6อย่างเหตุเกิดของทิฏฐิ6ประการมีอะไรบ้างปุถุชนในโลกนี้ที่ไม่ได้สดับไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้นี่นะไม่มีความรู้ไม่ได้พบอริยะไม่ฉลาดไม่ได้อบรมดีในธรรมของพระอริยะไม่ได้พบสัตบุรุษไม่ฉลาดไม่อบรมดีในธรรมะของสัตบุตรย่อมพิจารณาเห็นรูป รูปนี้ของเรารูปนี้เป็นเรารูปนี้เป็นอัตราตัวตนของเราก็เห็นอย่างเงี้ยผุ้ดชนน่ะพิจารณาเห็นเวทนาว่าเวทนานี้ของเราเวทนานี้เป็นเราเวทนานี้เป็นอัตราของเราย่อมพิจารณาเห็นสัญญาว่าสัญญานี้ของเราสัญญานี้เป็นเราสัญญานี้เป็นอัตราของเราย่อมพิจารณาสังขารว่าสังขารนี้ของเราสังขารนี้เป็นเราสังขารนี้เป็นอัตราของเรา แล้วก็พิจารณาอารมณ์ที่เห็นด้วยจักรวิญญาณด้วยโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณว่าวิญญาณนี้ของเราวิญญาณนี้เป็นเราวิญญาณนี้เป็นอัตตาตัวตนของเราแล้วคร่ครวรนะด้วยใจว่าอารมณ์นี้ของเราอารมณ์นี้เป็นเราอารมณ์นี้เป็นอัตตาตัวตนของเรานี่ประการที่ห้าประการที่6เหตุของทิฏฐิที่เป็นว่าเราเป็นโลก เราเป็นอัตตาเรานั้นเป็นอัตตาเรานั้นตายแล้วจากเที่ยงจากจังยืนจากคงที่ไม่ผันแปรดำรงอยู่อย่างนั้นเทียบเท่ากับสิ่งที่คงที่ว่าเหตุเกิดของทิฏฐินี้เราเหตุเกิดของทิฏฐินี้เป็นเราเหตุเกิดของทิฏฐินี้นี้เป็นอัตตาตัวตนของเราเป็นต้นเนี่ยนั้นการพิจารณาในลักษณะเงี้ยตัณหาตัณหาจะมีความพอใจบอกว่ารูปนี้เป็นเราเนี่ยดังนั้นการพิจารณาเห็นว่ารูปนี้ของเราจึงเป็นลักษณะของตัณหารูปนี้ของเรา มานะถือยังไงรูปนี้เป็นเราไหมรูปนี้เป็นเราพิจารณารูปเป็นเรานี่เป็นลักหณะของมานะะความยกตนถือตนเนี่ยเราเป็นนั่นเป็นนี่ทิฏฐิที่เห็นว่ารูปนี้เป็นอัตราตัวตนของเรารูปเป็นอัตราเนี่เป็นลักหณะของทิฏฐิสิ่งที่คงที่ภูเขาซีเนลุเนี่ยมหาปฐพีมหาสมุทรเนี่ยเป็นต้นที่คงที่ตลอดเนี่ยนะเขาเห็นอย่างนั้นโลกยังไม่ถูกทําลายด้วยไฟด้วยน้ําเขาก็มองเห็นว่านั่นบรรดา ทิฏฐิฐานะมีสมอย่างทิฏฐิทิฏฐิก็คือทิฏฐิที่เกิดขึ้นก่อนทิฏฐิที่เกิดหลังก็มีพวกสัตสัตตาทิฏฐิสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐินี่เป็นทิฏฐิที่เกิดก่อนเห็นว่าเป็นเราพอเห็นว่าเป็นเราไปเสร็จเมื่อปุ๊บต่อมาก็มาเห็นว่าเราเที่ยงเราขาดศูนย์ก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นทิฏฐิที่เกิดหลังสองก็อารมณ์ของทิฏฐิ ก็คือรูปประเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละขันห้านี่แหละมีรูปอารมณ์เป็นต้นนี่แหละเป็นอารมณ์ของทิฏฐิเหตุเกิดของทิฏฐิก็คือตัณหามาณทิฏฐิโดยทั่วไปแล้วเหตุเกิดของทิฏฐิก็คืออวิชชาก็ได้ความไม่รู้ผัสสะการกระทบสัญญาคือความจำวิตกก็ได้การตรึกที่ผิดพลาดทั้งหลายการไม่ใส่ใจโดยแยบคายการครอบมิตรชั่วคําสอนของศ า, ศาสดาอื่นๆแต่ในพระสูตรนี้พูดถึงว่าตัณหามาณทิฏฐิ ตัณหามาณทิฐิเป็นเหตุเกิดของทิฐิอริยสาวกผู้มีความรู้ได้พบอริยะฉลาดในธรรมของพาริยะพบสัตบุตษฉลาดในธรรมของสัตบุตรก็พิจารณาเห็นรูปรูปนี้ไม่ใช่ของเรารูปนี้ไม่ใช่เรารูปนี้ไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นเวทนาเวทนานี้ไม่ใช่เราเวทนานี้ไม่ใช่เราเวทนานี้ไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาสัญญาว่าสัญญานี้ไม่ใช่ของเราสัญญานี้ไม่ใช่เราสัญญานี้ไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรา พิจารณาสังขารสังขานี้ไม่ใช่ของเราสังขานี้ไม่ใช่เราสังขานี้ไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาอารมณ์ที่เห็นด้วยจักขูวิญญาณโสตวิญญาณคาระวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยวิญญาณโนลญาณที่ถึงแล้วแสวงแล้วไข้คนแล้วบอกอารมณ์นี้ไม่ใช่ของเราอารมณ์นี้ไม่ใช่เราอารมณ์นี้ไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเนี่ทิศเหตุเกิดของทิฏฐิที่เป็นว่าเรานั้นเป็นโลกเรานั้นเป็นอัตตาเรานั้นตายแล้วจากเที่ยงจากจังยืนคงที่ไม่แปรผันดำลองอยู่อย่างนั้นเนี่ย เทียบเท่าสิ่งที่คงที่เหตุเกิดของทิฐิที่ไม่ใช่ของเราเหตุเกิดของทิฐิที่ไม่ใช่เราเหตุเกิดของทิฐิที่ไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราอริยสาวกพิกษุเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่ผูกพันเพราะไม่มีเหตุเกิดของทิฐิทําลายทิฐินั้นได้แล้วได้หมดสิ้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะความผูกพันและความไม่ผูกพันเมื่อพระเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งทูลว่าเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความยึดถือมันจะมีได้หรือพระเจ้าตรัสว่ามีได้บางคนในโลกนี้ เราเคยมีสิ่งใดแบบนี้เราไม่เคยมีสิ่งนั้นเราควรมีสิ่งใดเราไม่ไม่เราไม่ได้สิ่งนั้นเราเศร้าโศกและเหียใจร่ำไห้รำพันสับสนเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความยึดมั่นก็มีได้อย่างนี้แหละภิกษุทูลถามว่าเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความไม่ยึดมั่นจะมีได้หรือพระเจ้าตรัสว่ามีได้บางคนในโลกนี้เราเคยมีสิ่งใดบบบนี้เราไม่มีสิ่งนั้น เราควรมีสิ่งใดเราไม่ได้สิ่งนั้นเราไม่เศร้าโศกและเหียใจไม่ร่าให้รําพันสับสนเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกเราไม่ยึดมั่นย่อมมีได้อย่างนี้ภิกษุกุนว่าเมื่อไม่มีสิ่งภายในความยึดมั่นจะมีได้หรือพระเจ้าข่าพระเจ้าตรัสว่ามีได้บางคนในโลกนี้เหล่านั้นเป็นโลกเป็นอัตตาตายไปแล้วจากเที่ยงจากยั่งยืนคงที่ไม่แปรผันดํารงอยู่อย่างนั้นเทียบเท่าสิ่งคงที่ เขาได้ยินตถาคตและระยสาวของตถาคตสแสดงธรรมเพื่อถอนทิฏฐิถอนความเห็นผิดทั้งปวงอันเป็นเหตุที่ตั้งฟูขึ้นยึดมั่นผิดและนอนเนื่องอยู่เสมอเมื่อพระนิพพานอันลังับสังขารถูกสลัดทิ้งในอุปาทิทั้งปวงแล้วสิ้นตัณหาคลายกำหนัดดับสนิทเขาคิดว่าเขาจะขาดศูญพิณาตไม่มีแน่นอนจึงเศร้าโศกและเหียดใจเออยบางคนจะเป็นอย่างนั้นนะพอไปมองว่าโอ้โหถ้าไม่มีอะไรแล้วนะ่ยเขาทุก กลัวนิพพานในบางพวกเลกลัวไม่กลัวอยากเกิดใช่ไ้มล่ะไม่อยากจะดับนี่เป็นไป ล, ลักษณะอย่างนี้พระเจ้าก็ตรัสแล้ น, น, นะเมื่อไม่มีสิ่งภายในเพราะความไม่ยึดมั่นจะมีได้หรือไม่พระเจ้าข้าเปน็นตณานี้เออตรงนี้เดี๋ยวค่อยขยายต่อนะมันรายละเอียดแต่สรุปก็คือกําลังจะพูดเรื่องทิฏฐิวันนี้พยายามจะเดินให้จบมันจะไม่จบ เดี๋ยวตอนบ่ายนะอาจจะบ่ายบ่ายฉันเพลนกันเสร็จแล้วเราก็พักกันสักหน่อยแล้วก็ายบ่ายเย็นๆพอพักให้สบายจิตใจปลอดโปร่งแล้วก็มาศึกษาธรรมะกันต่อดีไหมพอเดี๋ยวไปพูดถึงตรงนี้ขึ้นมาไม่งงงๆกันอยู่นี่แหละมันเข้าใจแต่คนบรรยายคนฟังจะไม่ค่อยเข้าใจ๋ยวจะให้มาดูบริบทของทิฏฐิทั้งหมดทิฏฐิ สักะยะทิฏฐิเป็นยังไงเนียตามิจฉาทิฏฐิเป็นยังไงอุเฉทาทิฏฐิสัจตตาทิฏฐิเป็นยังไงเป็นต้นแล้วเนี่ยนะแล้วก็ไล่ไปถึงทิฏฐิหกในพรหมชาลาสูตรเรื่องทิฏฐิเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของความเห็นถ้าทําความเข้าใจให้ดีเสียเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แล้วเราจะได้รู้ว่าโอ้เราอยู่กับความเห็นถ้าถูกความเห็นล้อมเข้าไว้กลักเข้าไว้เราก็ไม่สามารถพัฒนาไปสู่ปัญญาเป็นต้นได้ เนตรงเนี้ยใหม่ๆมนุษย์เราก็ต้องมีความเห็นแต่จะพัฒนาความเห็นไปสู่ปัญญาได้อย่างไรเนี่ยนะตรงเนี้ยแหละเมื่อพัฒนาจากความเห็นไปสู่ความรู้จริงเมื่อไหร่นรนะโอ้ตอนเนี้ยเราก็จะรู้เห็นจริงตรงนั้นการดําเนินชีวิตก็ดําเนินไปด้วยปัญญาอย่างทุกวันเนี่ยสังเกตดูนะบางทีเราสมาทานทิฏฐิกันไว้แล้วก็ตั้งอยู่กับทิฏฐิถูกทิฏฐิเนี่ยบงการชีวิตครอบงำในส่วนจริงเราก็เจ็บปวดกับมันเนาะก็จะเข้าใจยัง โอเคผมกดเกิเวลาแล้ว hmm. จ้าดู